ยาซีเรียกเรื่องปรุงแต่งภาคภูมิเดินมาถึงภูเก็ตเป็นครั้งแรกขณะที่คอยเพื่อนอยู่ที่สถานีขนส่ง ก็เห็นชายแต่งกายภูมิฐานยืนอยู่ใกล้ๆจึงถามว่าลุงตอนนี้กี่มงแล้วชายสูงอายุผู้นั้นมองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็ตอบว่าไปไกลๆเลยภาคภูมิตะลึงพูดกันว่าผมมาถามลุงดีๆทำไมต้องพูดแบบนี้ตอนแรกๆ ชายชราก็แซงทำเป็นหูทวนลมแต่เมื่อถูกรบเร้าเร้าซีไม่เลิกก็หลุดออกมาว่าแกอยากรู้หรือฉันจะบอกให้แล้วก็พรนนายืดยาวว่าฉันรู้นะตอนแรกนายก็จะถามเวลาถ้าฉันตอบนายก็จะถามเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องทะเลเรื่องท่องเที่ยวเรื่องธุรกิจจิปาถะ พอคุ้นเคยกันเข้าฉันก็ต้องแสดงความเอื้อเฟื้อตามมัญญาเจ้าบ้านเชิญนายไปเที่ยวที่บ้านอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นนายก็จะพบกับเมที่หนีลูกสาวที่น่ารักของฉันทีนี้นายกับลูกสาวของฉันก็อาจจะชอบพอกันขึ้นมาในที่สุดนายก็จะขอแต่งงานกับลูกสาวของฉันจะให้ลูกสาวของฉันแต่งงานกับนายเหรอ ไม่มีทางลูกสาวของฉันจะอยู่อย่างไรกับคนที่ไม่มีแม้แต่นาฬิกาสักเรือนเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อตัดเรื่องยุ่งยากทั้งหมดฉันยอมเสียมารยาทไล่นายไปดีกว่าที่จะบอกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเรื่องนี้สอนว่าอย่าไปหลงเชื่อความคิดปรุงแต่งของเรามากเกินไปอย่าปล่อยให้มันเป็นนายเรา หรือครอบงามเราควรมีสติอย่าฟุง้งอย่าฟุง้ง